พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตังตะปิฎกอังคุตรนิกายติกะนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อประถมปันนาตหรือหมวดห้าสิบที่หนึ่งวัดที่หนึ่งชื่อพาลวั์ว่าด้วยคนพาลทรงแสดงว่าภัยหรือสิ่งที่น่ากลัวอุปัทววหรือสิ่งที่เบียดเบียนหรือเป็นอันตราย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 ความตรณีว่าทาให้เหมือนนำตนไปตั้งไว้ในนรกกับการทาตรงกันข้ามทาให้เหมือนนำตนไปตั้งไว้ในสวรรค์วัคที่สองชื่อรถการวักว่าด้วยช่างทำรถทรงแสดงถึงการที่ภิกษุประกอบด้วยธรรมะสามอย่างว่า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 พระสวิท t กับพระมหาโกดทิตะไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรจึงถามพระสวิตถ h a ว่าบุคคลสามประเภทคือกายสกขีหมายถึงผู้บรรลุฌานก่อนแล้วจึงทำนิพพานให้แจ้งได้แก่พระอริยบุคคลหประเภทที่ตั้งอยู่ในโสดาปติผลจนถึงตั้งอยู่ในอรหัตตมรัก ประเภทที่สองทิฏฐิปัตติกคือผู้ถึงที่สุดแห่งทิฏฐิคือรู้แจ้งอริยสัจ ส, สีได้แก่พระอริยบุคคลหประเภทเหมือนกายสกขีประเภทที่สามศัทธาวิมุติผู้หลุดพ้นเพราะศรัทธาได้แก่พระอริยบุคคลหกประเภทเช่นเดียวกันที่ต่างกันก็คือลักษณะเฉพาะก่อนที่จะได้บรรลุมรรคผล ทั้งกายสักขีทิฏฐิปตะสัทธาวิมุตตในบุคคลสามประเภทนี้พระสวิท t h ชอบว่าใครจะดีกว่าปราณีตกว่าพระสวิท t h ตอบว่าชอบสัทธาวิมุตตว่าดีกว่าปราณีตกว่าเพราะมีอินทรีย์คือสัทธามีประมาณยิ่งแล้วพระสาริบุตรจึงย้อนถามพระมหากดทิตะว่า ชอบบุคคลประเภทไหนพระมหากดิตตตอบว่าชอบกายสัขีเพราะมีอินทรีย์คือสมาธิมีประมาณยิ่งพระมหากดิตตถามพระสาวรีบุตรบ้างว่าชอบบุคคลประเภทไหนพระสาวรีบุตรตอบว่าชอบทิฏฐิปะตะเพราะมีอินทรีย์คือปัญญามีประมาณยิ่ง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 บุคคลทั้งสามประเภทได้แก่พระอริยบุคคลหประเภทคือผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติพลจนถึงอรหัตตมรรคนั้นเป็นคำอธิบายตามอัถกถ า, าบุคลบัญญัติแต่สังเกตตามพระพุทธภาษิตในตอนท้ายคล้ายกับว่าตั้งแต่สกทาคามีอนนาคามีขึ้นไปถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรค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 จึงพยาบาลคนไข่อื่นๆคือหมายถึงสองประเภทแรกด้วยแล้วทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบกับบุคคลสประเภทในทางธรรมคือ 1. ได้เห็นรัตถาคตหรือไม่ก็ตามได้ปังพระธรรมาวินัยที่ระตถาคตประกาศแล้วหรือไม่ก็ตามก็ไม่ก้าวลงสู่ทํานองอันชอบในกุศ ล, ลธรรม 2.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 ก็แสดงอาการโกรธเคืองเหมือนแผลถูกไม้หรือกระเบื้องก็มีเลือดหรือหนองไหล 2. คนมีจิตเปรียบด้วยสายฟ้าคือรู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงเหมือนคนตาดีเห็นรูปในเวลากลางคืนอันมืดสนิทในระหว่างที่ฟ้าแลบ 3. คนมีจิตเปรียบด้วยเพชรคือทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต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 ได้แก่คนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมสำหรับส่วนนี้ตรัสเปรียบเทียบคำคาสำหรับบุคคลประเภทหนึ่งและสองคือประเภทที่หนึ่งเปรียบเหมือนงูที่เลื้อยลงไปในอุจจาระแม้ไม่กัดก็เปื่อนประเภทที่สองเหมือนเอาไม้หรือกระเบื้องไปเขี่ยวหลุมอุจจาระรังแต่จะเกิดกลิ่นเหม็นยิ่งขึ้น ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือหนึ่งคนพูดเหม็นในวงเล็บพูดเป็นอุจจาระได้แก่ผู้พูดปดทั้งๆรู้เพื่อตนเพื่อผู้อื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตร 2. คนพูดหอมในวงเล็บพูดเป็นดอกไม้ได้แก่ผู้ไม่พูดปดทัทง้งๆรู้เพื่อตนเพื่อผู้อื่นหรือเพราะเห็นแก่อามิตร 3. คนพูดหวานในวงเล็บพูดเป็นน้ำพึ่งได้แก่ผู้ที่เว้นจากการพูดคาหยาบพูดแต่คําที่รื่นหูเป็นที่พอใจแห่งคนมากทรงสแสดงบุคคลสประเภทคือหนึ่งคนตาบอดได้แก่ผู้ไม่มีตาที่จะทำโฟกัสซับให้เกิดที่จะทำโฟกัสซับที่เกิดแล้วให้เจริญกับไม่มีตา ที่จะรู้ธรรมะอันเป็นกุศลหรืออกุศล2คนมีตาข้างเดียวได้แก่ผู้มีตาที่จะทำให้ภพรั์ให้เกิดที่จะทำภพขับที่เกิดแล้วให้เจริญแต่อย่างเดียวแต่ไม่มีตาที่จะรู้กุศลละธรรมหรืออกุศลละธรรมสมคนมีตาทั้งสองข้างได้แก่ คนที่มีตาทั้งสองประเภทนั้นคือตาทางโลกและตาทางธรรมทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือ 1. ผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่าที่กรอกน้ำไม่ลงได้แก่คนที่ไม่สนใจปังธรรมทั้งในขณะแสดงและขณะที่ตนลุกไปแล้ว 2. คนมีปัญญาเหมือนชายพบ ที่ใส่ของไว้เวลาลุกขึ้นก็หล่นเรียราดได้แก่คนที่สนใจฟังธรรมะขณะแสดงลุกขึ้นแล้วไม่สนใจ 3. คนมีปัญญาหนาแน่นเหมือนหม้อน้ำงายเปิดปากรอกน้ำลงไปได้ไม่หกได้แก่คนที่สนใจฟังธรรมลุกไปแล้วก็สนใจคือพิจารณาเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดวั์ที่สี่ชื่อเทวทูตวัควาด้วยทูตของเทวดาทรงแสดงว่าตระกูลที่บูตบูชามารดาบิดาในเรือนของตนชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีพรหมมีบูรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกมีผู้กวนแก่ของคำนับ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 จึงทรงแสดงให้สำเนียกว่าจะมีคุณธรรมอย่างที่ตรัสต่อบพระอานนุ์ข้างบนนี้แล้วตรัสว่าภิกษุผู้ทำได้อย่างนี้ชื่อว่าตัดตัณหาได้แก้เครื่องผูกมัดได้ทำที่สุดได้เพราะตรัสสรู้ธรรมเป็นเหตุละมานะได้โดยชอบทรงแสดงโลภะโทสะโมหะ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 ชาวแคว้นอารวีว่าทรงบรรทมเป็นสุขคนหนึ่งในโลกแม้ราตรีฤดูหนาวจะเย็นหิมะจะตกดินจะแตกระแหงเครื่องปูล่าจะน้อยใบไม้จะโปรง่งผ้ากาสายะจะเย็นลมจะพัดเพราะทรงละราคะโทสะโมหะอันทำให้เกิดความเดือดร้อนทางกายทางจิตได้เด็ดขาดแล้ว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 ความเมาในชีวิตเสียได้ทรงแสดงอาิปไตยคือความเป็นใหญ่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่แล้วทรงอธิบายถึงคนที่เว้นความชั่วประพฤติความดีเพราะปรารบตนบ้างป ร, รารบโลกบ้าง ปรรบธรรมะบ้างวักที่ห้าชื่อจุลวักว่าด้วยเรื่องเล็กน้อยทรงแสดงว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธายอมได้บุญมากเพราะพร้อมหน้าธรรมะสามอย่างคือหนึ่งพร้อมหน้าศรัทธา 2. พร้อมหน้าทยธรรม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 จึงควรแสดงธรรมคือหนึ่งผู้แสดงย่อมรู้อัดทรู้ธรรมะหรือรู้อัดรู้ธรรม 2. ผู้ฟังย่อมรู้อัดรู้ธรรม 3. ทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังสองฝ่ายย่อมรู้อัดรู้ธรรมกระถาหรือถ้อยคำย่อมเป็นไปโดยฐานะสามคือหนึ่ง ผู้แสดงธรรมสองผู้ฟังธรรมสมทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังย่อมรู้อัดรู้ธรรมสิ่งที่บัณฑิตบัญญัติที่สัตว์บุรุษหรือคนดีบัญญัติสามอย่างคือหนึ่งทานการให้สองบันพชาการถือบวชสา ม, มาตาปิตุปทานะ